ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไม้กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันเช่นเคยที่นี่วิทยุไทย PBS Online วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะและก็สำหรับวันนี้เราจะร่วมเดินทางไปยังจิตตนครต่อกันนะคะวันนี้เป็นตอนที่สิ นะคะคราวที่แล้วได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้เห็นพลังอำนาจของกองทัพที่มีสังโยบ์บดีซึ่งเป็นสมุนคนสำคัญของทางสมุททยเป็นแม่ทัพใหญ่อันนั้นคือการสวนสนามของทางฝ่ายกิเลสคราวนี้มาอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะ เพราะว่าจิตตานครไม่ได้มีเฉพาะสมุนของสมุไทยเท่านั้นแต่ยังมีอีกฝากฝั่งหนึ่งนั่นคือฝากฝั่งพักพวกของคู่บารมีฝากฝั่งนี้มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนและจะสามารถสู้กับทางกองทัพที่มีสังโยตบดีเป็นแม่ทัพใหญ่ได้หรือไม่วันนี้ไปติดตามกันนะคะกับตอนที่11จิตตานครค่ะ พรนิพนธ์ในสมเด็จพยานสสงวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายคค่ะสมุทัยอาจจะลืมนึกไปว่าในจิตตนครไม่ได้มีกองทัพใหญ่สังโยช์เพียงกองเดียวเท่านั้นแต่ยังมีกองทัพใหญ่มักอีกหนึ่งกองซึ่งแม่ทัพสังโยชตเองก็ยังรู้สึกไวหวันพลันพึงไม่แน่ใจว่า ถ้ามีการต่อสู้กันขึ้นมาฝ่ายสังโยชน์จะสามารถเอาชนะฝ่ายมรรคได้หรือไม่และการที่มีกองทัพใหญ่ตั้งเผชิญหน้ากันอยู่ถึงสองกองทัพก็แสดงว่านครสามีจะต้องมีส่วนในการอนุมัติให้ตั้งขึ้นจะต้องรู้เห็นเป็นใจหรือจะโดยต้องจำใจยอมก็ตามเป็นอันว่านครสามีและชาวจิตตะนครชื่อว่าได้รับรองกองทัพทั้งสองให้ตั้งขึ้นแล้วในจิตตะนคร ดังที่ได้เคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะคะว่าในจิตตานครนั้นมีสองศาสนาคือพุทธศาสนาและมารศาสนาสมุไทยตั้งตนเป็นศาสดาผู้แสดงมารศาสนาอีกด้วยนครสามีและชาวจิตตานครส่วนมากก็นับถือศาสนาทั้งสองนี้ควบคู่กันไปฉะนั้นแม้จะพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ เพราะได้เห็นการสวนสนามครั้งสำคัญที่สมุทัยจัดขึ้นนั้นผ่านไปแล้วชาวจิตตานครซึ่งมีความตื่นเต้นลดลงแล้วก็เริ่มระลึกถึงกองทัพใหญ่มักซึ่งยังรักษาจุดสนียภาพไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรพากันคิดว่าจะทรงพลังอันเกรียงไกรสักเพียงใดจึงเกิดเป็นเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้กองทัพใหญ่ฝ่ายมักแสดงการเดินสวนสนามให้ประชาชนได้ชมบ้าง ฝ่ายนครสามีก็นึกถึงกองทัพใหญ่มากและอยากจะให้เดินสวนสนามเช่นเดียวกับชาวจิตตะนครทั้งปวงสมุทัยเองก็นึกไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนกลับเช่นนั้นสมุทัยเองนึกไม่ถึงว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นเหตุเพราะว่าเขาเคยคิดเล็งผลเลิศฝ่ายตนตไทายเดียวซึ่งทีแรกก็ดูเหมือนเป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเสียงเรียกร้องจากประชาชนได้เสียแล้วสมุทัยก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้าขืนเข้าไปห้ามปรามขัดขวางก็เท่ากับพายเรือควางกระแสน้าเชี่ยวดีไมด่ดีเรือจะล่มจมลงเสียเปล่าเพราะว่าผู้คนทั้งปวงก็คงจะพากันคิดว่าสมุทัยคงจะมีปมด้อยจึงไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงบ้างหรือไม่อีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะเก่งกว่าเป็นแน่ สมุไทยก็เลยวันไว้และก็หวาดกลัวดังนั้นสมุไทยจึงเห็นว่าสู้ทําเฉยเสียหรือแก้งส่งเสริมไปเลยไม่ได้ทําให้ดูดีเอาไว้ก่อนฝ่ายคู่อาสวะซึ่งเป็นตัวหลักฝ่ายในข้างในของสมุไทยคือเป็นตัวหลักของสมุไทยนะคะเห็นอาการของสมุไทยกระสับกระส่ายเล่าร้อนก็รู้ใจกล่าวปลอบโยนว่าไม่ต้องตกใจ เห็นว่ากองทัพใหญ่ฝ่ายมัคจะไม่เดินสวนสนามประชันขันแข่งกับกองทัพใหญ่สังโยตเป็นแน่ทั้งนี้เพราะว่าคู่บารมีและมัคขบดีแม่ทัพใหญ่นั้นนับถือเชื่อฟังองค์พระบร ม, มครูซึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนว่าการโอ้อวดการแข่งดีกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำฉะนั้นให้สมุทัยสั่งพักพวกตะโกนว่าให้มาสวนสนามอวดการแข่งกันฝ่ายมัคได้ยินนี้ แม้จะอยากแสดงแสนยานุภาพบ้างก็คงจะต้องยับยัง้งเพราะว่าจะขัดกับพระพุทธโอพระพุทธโอวาสซึ่งฝ่ายนั้นจะไม่ประพฤติให้ขัดเลยฝ่ายมัคเองก็จะกลายเป็นผู้ฝาฟื้นมติมหาชนแล้วก็จะทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือในฝ่ายมัคแล้วก็เพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทไทยหรือกองทัพใหญ่สังโยตมากขึ้นสมุทไทยก็จะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่อง ทางด้านฝ่ายคู่บารมีกับแม่ทัพใหญ่คือมัคคบดีซึ่งได้ทราบเหตุการ์ทั้งปวงมาโดยลำดับก็กำหนดในใจไว้แล้วว่าองค์พระบร ม, มครูได้ทรงประสาทสั่งพระสาวกขึ้นในโลกพระองค์เองเสด็จจาริกไปประกาศพุทธศาสนาในคามนิคมชนบทต่างๆโดยไม่หยุดหย่อนจึงได้เกิดมีพุทธจักรขึ้นในโลกดังที่จะพึงเห็นได้ในจิตตนครนี้เอง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 ชี้แจงแสดงเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาปรารถนาประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงคำนึงถึงสิ่งอื่นเช่นเพราะเห็นแก่ลาบไม่แสดงทำกระทบตนเองและผู้อื่นในการประกาศพระศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงใช้ปาฏิหาร3คืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหาร อิทธิปาฏิหารหมายถึงการแสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหารหมายถึงการดักใจเป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหารคือการสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ซึ่งปาฏิหารทั้งสามนี้พระพุทธองค์ก็จะทรงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลอิทธิฤทธิปาฏิหารหรือว่าอิทธิปาฏิหารนั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำลายมานะของผู้ฟังเสียก่อนและมิใช่หมายความแต่เพียงการ แสดงอาการที่จะแผงต่างๆซึ่งผิดไปจากสามัญชนปกติอย่างเดียวแต่หมายถึงการกระทำทุกวิธีที่เป็นไปเพื่อทำลายมานะดังกล่าวคนที่เต็มไปด้วยความมานะหรือที่เรียกว่ามีทิฏฐิมานะแรงกล้าบุคคลเหล่านี้ยากที่จะสั่งสอนได้แต่ว่าจะต้องทำให้คลายมานะหรือว่าสิ้นทิฏฐิมานะเสียก่อนดังที่เรียกในภาษาศาสนาว่าทาให้สิ้นความเสพติดหรือให้หมดพยศ องพระบรมครูทรงแสดงฤทธ์ได้เป็นอัศจรรย์คือทรงทราบวิธีและสามารถทำลายมานะของคนได้อย่างล้ำเลิศทรงดักใจเป็นอัศจรรย์คือทรงทราบจิตใจอัธยาศัยนิสัยอาสวะบารมีของบุคคลจึงทรงสั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์นั่นก็คือทรงสั่งสอนได้เหมาะเป็นเหตุให้ผู้ฟังได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัย ผู้บารมีกับมรคบดีผู้เป็นแม่ทัพใหญ่เห็นว่าการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักให้ปรากฏแก่ตาแกา่ใจประชาชนชาวจิตตานครนั้นหาใช่เป็นการแสดงความโอ้อวดไม่แต่จะต้องกำหนดสถานที่แสดงกำลังและประชาชนชาวจิตตานครที่จะมาดูชมการแสดงก็จะต้องอยู่ในอิริยาบถและอาการที่มีความเคารพ จึงได้กำหนดสถานที่กลางใจเมืองที่ซึ่งถนนสำคัญสี่สายมาบรรจบกันกำหนดที่นี้เป็นสถานที่แสดงกำลังค่ะแต่ได้กำหนดสนามหลวงใหญ่กลางเมืองเป็นที่ชุมนุมกองทัพใหญ่และเป็นที่แสดงกำลังกำหนดให้ประชาชนชาวจิตตะนครมาดูชมโดยรอบสนาม ด้วยอาการที่ เ, เป็นอาการที่ต้องแสดงความเคารพซึ่งต่างไปจากาการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่ฝ่ายสมุทยที่มีสังโย์เป็นแม่ทัพะนะคะซึ่งการเดินสวนสนามไปตามถนนใหญ่ประชาชนต่างดูชมด้วยอาการต่างๆโดยมากแล้วก็ขาดความเคารพคือไม่ต้องการที่จะให้ดูแบบฮึกเหิมคึกขนองแต่ให้ดูด้วยความเคารพ ที่นี้พอจัดเตรียมการทั้งพวงเรียบร้อยก็มีการประกาศวันเวลาและระเบียบการต่างๆให้ประชาชนชาวจิตตานะครได้ทราบทั่วกันเป็นอันว่าจะได้มีการสวนสนามแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มกักหน้าสนามหลวงใหญ่ใจกลางเมืองเฉพาะพักของนครสามีเจ้าเมืองจิตะนาการคือแสดงต่อหน้าถือได้ว่างานนี้ก็สร้างความตื่นเต้นยินดี ให้กับประชาชนชาวจิตตะนครอย่างมากแต่ขณะเดียวกันกลับเป็นที่หวาดระแวงพรั่นพรึงของสมุไทยกับคู่อาสะวะและพักพวกมากที่สุดคู่อาสะวะกับสมุไทยพากันคาดผิดคิดว่ากลวิธีของพวกตนจะเป็นเหตุห้ามการแสดงกําลังของกองทัพใหญ่มากได้แต่คู่บารมีกับมัคคบดี กลับถือว่านี่เป็นการประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครูที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตานครซึ่งองค์พระบรมครูทรงสั่งกำชับและส่งพระสาวกทั้งหลายให้แยกย้ายกันท่องเที่ยวไปประกาศแสดงตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ตดรัสรู้และเริ่มมีพระสาวกขึ้นใหม่ๆพระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกท่องเที่ยวไปประกาศแสดงพระธรรมไม่หยุดหย่อนตราบกระทั่งเสด็จสู่ปรินิพาน คูบารมีกับมัคขบดีจึงถือเป็นกิจเป็นหน้าที่ที่จะต้องประกาศแสดงกาลังให้เป็นที่ปรากฏประจักษ์ตาในจิตตาณนครและก็ได้จัดสถานที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงกำลังกับวิธีการต่างๆอย่างมีระเบียบผู้ที่ได้ดูชมจะต้องอยู่ในอิริยาบถอาการที่มีความเคารพแต่เมื่อเหตุการณ์ได้กลับตรปัต หรือว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเช่นนี้คู่อาศะกับสมุทไทยก็ไม่อาจจะห้ามปรามต่อไปได้ในการที่จะให้กองทัพใหญ่มักงดการเดินสวนสนามแต่ก็ได้หาวิธีที่จะทำลายล้างหรือว่าแทรกซึมบ่อนทาลายต่อไปคือยังไม่หยุดยัง้งถึงแม้ว่าจะยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปดีฝ่ายคู่บารมีและมักขบดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพใหญ่มักก็มิได้ประมาทนะคะ ได้คิดเตรียมการป้องกันการก่อกวนแทรกซึมบ่อนทําลายของสมูทายเอาไว้พร้อมสับเมื่อถึงวันแสดงกําลังของกองทัพใหญ่ประชาชนชาวจิตตะนครก็พากันมาคอยดูอยู่รอบสนามสนามที่ว่าคือสนามหลวงใหญ่กลางใจเมืองค่ะมากันเยอะเลยทีเดียวสมูทายได้ส่งพักพวกมาแทรกซึมอยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไปและได้นัดหมายการที่จะปฏิบัติเอาไว้ด้วย ครนนครสามีออกปรากฏสถิตยอยู่นักกลางใจเมืองซึ่งถนนสำคัญสี่สายของเมืองมาบรรจบกันกองทัพใหญ่มักซึ่งได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็เริ่มการแสดงกำลังทันทีพิธีได้เริ่มขึ้นโดยอิทธิปาฏิหารคือการแสดงทาาทั้งสี่อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของถนนสำคัญสี่สายคือทา ด, ดินท่าน้ำท่าไฟท่าลมให้ปรากฏในอากาศ แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของธาตุทั้งสี่ทีละอยากคือธาตุดินมีลักษณะเข้มแข็งธาตุน้ำมีลักษณะเหลวเอิบอาบธาตุไฟมีลักษณะอบอุ่นร้อนธาตุลมมีลักษณะพัดไหวเมื่อธาตุดินมาอากาศก็จะแค้นแข็งเป็นอย่างดินหรือภูเขาเหมือนอย่างกับว่าจะถล่มทับชาวจิตตนคร เมื่อธาตุน้ำมาอากาศก็จะกลายเป็นมหาสมุทรคล้ายกับจะตกลงมาท่วมจิตต น, นครเมื่อธาตุไฟมาอากาศจะดูลุกเป็นไฟกองเมื่อหือมาเหมือนอยากจะเผาไหม้จิตต น, นครให้เป็นจุนเมื่อธาตุลมมาอากาศ ก, าก็จะปั่นป่วนเป็นพายุร้ายคล้ายจะพัดผันจิตต น, นครให้ย่อยยับไปทันใดเป็นที่ตกใจกลัวของประชาชนชาวจิตต น, นครทั้งสิ้น แม้พักพวกสมุททยเองก็เกิดความตกใจหลบถอยไปอย่างวุ่นวายลืมคำสั่งให้มาปฏิบัติก่อกวนทั้งหมดฝ่ายมัคคบดีได้ประกาศแก่ชาวจิตตานครม่ให้ตกใจกลัวให้ทุกคนตั้งใจในมัสการองค์พระบรมครูโดยพร้อมกันเปล่งว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบ แล้วตั้งใจถึงองค์พระพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นสรณะคือที่พึ่งพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังคังสระนังคัจฉามิสามครั้งครั้นชาวจิตตานครเปล่งวาจานมรสการองค์พระบระมะครูและถึงพระไตรสรณคมดังนี้แล้วอาการที่ปรากฏของท่าสี่อย่างที่น่าสะพึงกลัวนั้นก็หายไปทันที ขณะนั้นจิตใจของประชาชนที่แตกแยกเป็นหลายอย่างบางคนอ่อนบางคนกระด้างบางคนเคารพ บ, บางคนไม่เคารพเป็นต้นก็รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพากันมีจิตใจสงบจากความแข็งกระด้างด้วยอำนาจความกลัวภยัยจากธาตุทั้งสี่และเห็นประจักษ์อนุภาพของพระไตรสารณคมพักสักครูค่ค่ะ แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมไปจิตตะนครค่ะเหลืออีกไม่มากแล้วนะคะเราก็จะจบการทัวร์จิตตะนครค่ะหวังว่าคงจะทําให้คุณผู้ฟังได้รู้จัก เข้าใจแล้วก็มองเห็นความเป็นไปในจิตตดนะคร น, ค ร, นครหลวงแห่งเราได้ดียิ่งขึ้นไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะการแสดงอำนาจของกองทัพฝ่ายมากักจะมีการแสดงการดักใจในปัญหาตัวเราโดยแสดงภาพอบายภูพูดง่ายๆ แสดงภาพนรกให้เห็นนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยการแสดงภาพสวรรค์คือพาชาวจิตตะนครไปเที่ยวนรกและไปเที่ยวสวรรค์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะจิตตะนครตอนที่11ช่วงที่2ค่ะ ต่อจากนั้นมัคคบดีได้แสดงอาเทศนาปาติหารหรือการดักใจเป็นอัศจรรย์โดยรู้ใจทราบใจของชาวจิตตะนครทั้งที่เป็นส่วนลึกส่วนผิวเผินใจที่เป็นส่วนลึกนั้นคือเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอนุสัยหรือบารบีหรือที่เป็นส่วนนิสัยสันดานดังที่บางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่า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 ดังที่เรียกว่านานาจิตตังจึงไม่อาจจะตอบปัญหาใจที่ต่างๆกันของทุกคนให้ครบถ้วนได้ในคราวเดียวจำต้องสรุปตอบในประเด็นที่คนส่วนมากมีใจพ้องตรงกันพอเป็นตัวอยา่างดังเช่นปัญหาว่าตายเกิดหรือตายศูนย์ตายแล้วไปไหนนโลกสวรรค์มีหรือไม่เรื่องเหล่านี้เป็นความอยากรู้ที่ตรงกันของทุกคน ดังนั้นจึงปรากฏภาวะอย่างหนึ่งที่ชาวจิตตานครทั้งปวงมองเห็นและเข้าใจว่าตัวเราลอยอยู่ในอากาศมากมายมีจำนวนเท่าชาวจิตตานครที่มาประชุมดูอยู่นั้นและชาวจิตตานครแต่ละคนก็รู้สึกเป็นตัวเราแต่ละตัวที่ลอยอยู่คือรู้สึกเหมือนเป็นลอยอยู่เองอยู่กับตัวเราของตนแต่ละคนหรือตัวเราของแต่ละคนนั้น มีสายใหญ่มากเกี่ยวอยู่ที่กายของแต่ละคนคล้ายกับว่าที่ลอยอยู่ในอากาศมีสายโยงมาถึงคนชักว่าที่พื้นดินคือตัวเรามาจากอดีตชาตินับไม่ถ้วนเหมือนอย่างวันนี้มาจากวันอดีตนับไม่ถ้วนและจกไปสู่ชาติอนาคตอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่ ในชาติอดีตเหล่านั้นบางชาติก็มีรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัวถูกเผาอยู่ในไฟบางชาติมีรูปร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งบางชาติมีรูปร่างผอมโซสูงชะลูดน่าเกลียดหิวโหวยบางชาติมีรูปร่างพิกลเป็นจำพวกผีชนิดต่างๆครั้นชาวจิตตะนครได้มองเห็นภาพตัวเราในอดีตชาติมีรูปร่างต่างๆกันก็รู้สึกว่านี่เองคือนิระยะ หรือนรกนิระยะคือนรกนะคะนี่เองสัตว์ดิรชาณ น, นี่เองทินอสุรกายคือผีต่างๆเหล่านี้คือทุกคติที่ชั่วเต็มไปด้วยความถูกคั่นแล้วก็ได้เห็นว่าตัวเราก่อนที่จะเกิดในทุกคติเหล่านั้นก็ได้มีจิตใจเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงที่ฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างเป็นชู้กับเขาบ้างพูดเท็จกับเขาบ้าง ดื่มน้ำเมาประมาทไปบ้างชาวจิตตนครจึงรู้สึกขึ้นเองว่านี่คือบาปอาคุณละก ร, รมที่ตัวเราได้ทำแล้วก็เป็นเหตุนำไปสู่ทุกคติจริงอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้ชาวจิตตนครได้เห็นภาพนรกเห็นภาพตัวเองในชาติต่างๆที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าเวทนาจากการกระทำ ทีีี่่ไมดดในอตครั้นแล้วค่ะมัคขบดีก็ได้แสดงตัวเราผู้ประกอบอากุศลกรรมบทต่างๆแล้วต้องไปเกิดมีรูปร่างวิปริตต้องทนทุกทรมานในชาติต่างๆและจากนั้นก็แสดงตัวเราอีกฉากหนึ่งทำให้ชาวจิตตนครได้มองเห็นตัวเราที่ลอยอยู่ในอากาศมีรูปร่างงดงามทั้งหญิงชาย มีที่อยู่ที่สวยงามสุขสบายมีสวนที่ร่มรื่นสวยงามมีเครื่องแวดล้อมและทุกๆอย่างที่ล้วนสวยงามน่ารักน่าชมล้วนให้เกิดความสุขสิ่งต่างๆที่ได้เห็นนั้นมีมากมายเหลือที่จะกล่าวและจะบอกได้อย่างสิ้นเชิงแต่ก็รวมลงว่ารูปทั้งปวงที่ตามองเห็นเสียงต่างๆที่หูได้ยิน กลิ่นต่างๆที่จมูกได้ดมรสต่างๆที่ลิ้นได้ลิ้มสิ่งสัมผัสถูกต้องต่างๆที่กายได้ถูกต้องล้วนแต่น่ารักน่าชมน่าอภิรมยินดีทําให้เกิดความสุขทั้งนั้นช่างตรงกันข้ามกับนรกเหลือเกินชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวตัวเองในอดีตชาติมีรูปร่างที่งามละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ภาวะเหล่านี้ชาวจิตตนครได้รู้ได้เห็นแต่สงบอยู่ในอุเบกขาญาณตลอดเวลาชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวของเราเองในอดีตชาติเป็นตัวเราที่ไม่ปรากฏรูปร่างอยู่ในภาวะตัวเราที่ละเอียดประนีดยิ่งนักสงบอยู่ด้วยอุเบกขาญาณที่ละเอียดประนีดคือนอกจากจะเห็นตัวเองในรูปร่างที่สวยงาม ได้บริโภคสรรพสิ่งที่งดงามประณีตยังได้เห็นตัวเองที่มีรูปร่างงามละเอียดยิ่งขึ้นไปไม่ต้องการอภิรมในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งถูกต้องที่น่ารักอภิรมทั้งปวงและบางคนก็ยังเห็นตัวเองในอดีตชาติเป็นตัวเราที่ไม่ปรากฏรูปร่าง ก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการแสดงภพภูมิแต่ละภพภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับชาวจิตตนครได้เห็นดังนั้นก็รู้สึกขึ้นมาว่านี่คือสวรรค์ชั้นกา ม, มาพจอรนี่คือสวรรค์ชั้นรูปประพรมนี่คือสวรรค์ชั้นอรูปประพรมเหล่านี้คือสุขติคติที่ดีมีสุขได้มองเห็นว่า ตัวเราก่อนที่จะไปเกิดในสุคติภพเหล่านั้นได้มีจิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่ลิษยาอาทันไม่ทําร้ายชีวิตร่างกายของใครไม่ลักของใครประกอบสัมมาอาชีวะไม่เป็นชู้กับของใครยินดีอยู่แต่ในคู่ครองของตนไม่พูดเท็จหลอกลวงใครพูดสัจจริงที่เป็นประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดยุยงใคร พูดประสานสามคัคคีไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำสุภาพไม่พูดเลวหลายไรสาระพูดแต่สิ่งที่มีหลักฐานเป็นประโยชน์เว้นสิ่งที่ทำให้เกิดความเมากายเมาใจปลูกสติให้รอบครอบรู้ผิดชอบชั่วดีประพฤตินตนอยู่ในทางทานและศีลบางคนก็ประพฤตินตนอยู่ในทางภาวนาได้สมาธิอย่างสูงถึงรูปฌานสมาบัติหรืออรูปฌานสมาบัติ จึงไปเกิดเป็นรูปประพรมและอารูปประพรมก็รู้สึกขึ้นเองว่านี่คือบุญกุศลกรรมที่ตัวเราได้ทำแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จริงไม่ต้องสงสัยเมื่อชาวจิตตนาคนครได้เห็นกรรมและผลของกรรมได้เห็นชาตินี้และอดีตชาตินี้และอดีตชาติถอยหลังไปแล้ว <c oughs> ก็คิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไปอีก หยุดเสียทีก็น่าจะดีเพราะกลัวทุขติเต็มทีแล้วคราวอยู่ในนรกรู้สึกว่านา น, านแสนานานแต่คราวอยู่ในสวรรค์รู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปเร็วแค่ประเดียวเดียวเท่านั้นกองทัพของฝ่ายคู่บา ร, รมีอันมีมักคบดีเป็นแม่ทัพได้นำเรื่องราวของนครสำคัญที่สุดมาแสดงคือเรื่องราวของจิตตะนครที่แสดงมาแต่ต้นโดยลาดับ จนถึงเมื่อชาวจิตตานะครได้ชมการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยตจบลงมัคคบดีก็แสดงกำลังทมให้เข้าใจบ้างจนถึงแสดงให้ชาวจิตตานะครได้เห็นกรรมและผลของกรรมได้เห็นชาตินี้และอดิตชาติถอยหลังไปจึงเกิดความคิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไป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 เป็นเหตุให้เกิดความอละมานด้วยอาการต่างๆในหมู่ชาวจิตตานครทั้งหมดบรรดาผู้ที่มีตัวเราต้องบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิก็สะดุ้งตกใจร้องกรีดกราดด้วยความกลัวด้วยความพรั่นพรึงถึงขั้นตัวสั่งงนงันงกคล้ายกับนักโทษที่ถูกนําตัวไปสู่ที่ประหารหรือที่ทรมาีส่วนบรรดาผู้ที่มีตัวเราบ่ายหน้าไปสู่ภูมิมนุษย์ ก็รู้สึกเป็นปกติหรือดีใจไปสู่ภูมิเทพของพรหมในสวรรค์ก็ปลื้มใจยินดีถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจอันที่จริงก็มิใช่สิ่งแปลกประหลาดแต่เป็นกรรมนิยมหรือกรรมนิยามคือความกำหนดแน่แห่งกรรมของทุกๆคนที่ทำไว้แล้วจึงเป็นธรรมดาของกรรมมิใช่เป็นของผิดธรรมดาแต่อย่างใด เหมือนอย่างความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมดาของชีวิตถ้าใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละจึงจะผิดธรรมดาเมื่อปรากฏอาการตกใจหรือตื่นเต้นขึ้นในหมู่ชาวจิตตานครดังนั้นครู่หนึ่งแล้วคติข้างหน้าเหล่านั้นก็หายไปปรากฏเป็นภาพแห่งการกระทําต่างๆของตัวเราแต่ละคนปรากฏขึ้นอย่างจะแจ้งว่าตัวเราได้ทํากรรมอะไรไว้บ้างแล้ว ได้ทำอกุศลกรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้ได้ทำกุศลกรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อทำอกุศลกรรมไว้จิตก็เศร้าหมองหน้าของเราคือหน้าของตัวเราก็บ่ายหน้าไปสู่ทุกคติแต่เมื่อทำกรรมดีไว้จิตก็ผ่องใสหน้าก็บ่ายไปสู่สุขติชาวจิตตนครจึงเกิดความรู้รับรองขึ้นว่าชาติหน้ามีและทุกคนจะต้องไปเกิดตามกรรม กุศลกรรมที่ทำให้จิตใกล้าตายเศร้าหมองนำไปสู่ทุกคติส่วนกุศลกรรมที่ทำให้จิตใกล้าตายผ่องใสก็นำไปสู่สุคขขติโดยแทนครั้นชาวจิตตนครเกิดความรู้รับรองในชาติหน้าและในกรรมกับผลกรรมดังนั้นแล้วภาพคติข้างหน้าที่ปรากฏให้เห็นก็ยังหลอนใจให้กลัวว่าจะต้องไปแน่หรือยังประทับใจให้ยินดีปรีดาว่าจะได้ไปแน่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 บางตัวเราก็หันหน้าไปเหมือนอย่างครั้งก่อนนั่นแหละจึงเกิดอาการอนละมานตรงกันข้ามขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครคนที่เคยเสียใจในครั้งก่อนก็กลับดีใจคนที่เคยดีใจในครั้งก่อนก็กลับเสียใจแต่บางคนก็เป็นเหมือนอย่างครั้งก่อนทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็มีการเปิดปรากฏขึ้นอีกเป็นภาพแห่งการกระทากรรมขึ้นใหม่ เพราะยังมีชีวิตอยู่ในโลกยังไม่ตายจึงยังต้องทํากรรมต่างๆอยู่บางคนทํากรรมชั่วไว้ในครั้งก่อนๆแต่ต่อมาทํากรรมดีที่ตรงกันข้ามบางคนทํากรรมดีไว้ในครั้งก่อนแต่ต่อมาทํากรรมชั่วที่ตรงกันข้ามบางคนก็ทํากรรมดีหรือชั่วสม่ําเสมอไปปรากฏการครั้งหลังนี้ทําให้ชาวจิตตานครได้ความรู้สํานึกว่าคนที่เคยทําชั่วไว้ย่อมมีโอกาสกลับตัวได้ เมื่อมีความไม่ประมาทละความชั่วทำความดีเมื่อใดก็กลับตัวเป็นคนดีเมื่อนั้นกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อใดก็หันหน้าไปสู่สุขติดีเมื่อนั้นส่วนคนที่เคยทำดีไว้มืมีความประมาทละความดีเสียไปทำชั่วก็กลายเป็นคนชั่วและหันหน้าไปสู่คติที่ชั่วฉะนั้นเมื่ อ, อยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ ทุกคนจึงอาจสร้างหรือเปลี่ยนคติภายหน้าของตนไดน้ถ้ามีความประมาทประพฤติพอกพูนความชั่วร้ายเสียหายมากขึ้น <_ C onse> <ค>ก็จะสร้างคติที่ชั่วภายหน้าขึ้นหรือเปลี่ยนคติที่ดีเป็นคติที่ชั่วแต่ถ้ามีความไม่ประมาทประพฤติพอกพูนคุณงามความดีต่างๆมากขึ้นก็จะสร้างคติที่ดีขึ้นในภายหน้าหรือเปลี่ยนคติที่ชั่วให้เป็นคติที่ดีได้ ขณะนั้นเองค่ะก็ได้ปรากฏเสียงกระแสพระบรมพุทธโทวาส ด, ดังขึ้นว่าทุกคนทั้งหญิงชายคฤหัสบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาตรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัยเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจักเป็นทายาตรับผลของกรรมนั้น รรย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างๆกันเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมเพราะบุคคลมีเจตนาแล้วจึงทำกรรมทางกายวาจาและใจกรรมชั่วที่บุคคลใดทำไว้แล้วย่อมละเสียได้ด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมสองโลกนี้ให้สว่างเหมือนอย่างดวงจันทร์ที่พ้นจากหมอกฉนะัน ฝ่ายคู่บารมีและมัคคบดีเมื่อได้แสดงให้ชาวจิตตนครให้เห็นฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ของธาตุทั้งปวงในโลกนี้และได้ดักใจชาวจิตตนครว่าคิดสงสัยอยู่ในอดีตอนาคตของตนเองแต่ละคนว่าได้ทำกรรมอะไรไว้และได้รับผลของกรรมที่ตนทำไว้อย่างไรโดยเฉพาะอนาคตเบื้องหน้าของแต่ละคน ก็จะต้องเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ในอดีตบ้างในปัจจุบันนี้เองบ้างและได้แสดงเน้นให้เห็นความสำคัญของปัจจุบันว่าอาจเปลี่ยนอนาคตของทุกๆกคนได้คือถ้าในปัจจุบันนี้ทำความชั่วก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ไม่ดีไปได้ถ้าทำความดีก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ดีได้เช่นเดียวกันเมื่อชาวจิตตนครมองเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเกี่ยวเนื่องกันไปอยู่ดังนี้ คล้ายกับวันวานนี้พรุ่งนี้และวันนี้ก็สิ้นความสงสัยในอดีตชาตินี้และชาติหน้าและเริ่มมองเห็นรางรางในกรรมและผลของกรรมตอนหน้ามาฟังการแสดงกําลังของกองทัพใหญ่มากค่ะว่ากองทัพนี้ประกอบไปด้วยไพรพลอย่างไรบ้างหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ ห้องสมุดหลังไมโดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลือง